นี่คือาการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไฟบูลอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหลโศกทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับนมัสการและก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณครับจาก ก, กรุงเทพทุกสัปดาห์เรามาไม่เคยขาดครับะคราวนี้เป็นเอพิซอที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอ47ครับท่านสี <47. S 2> รเรามีสัญญากับคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายว่ า, วา เช้าวันริหัสส ป, ปดีเราจะาพบกันครับในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเลยมีเรื่องของแผนที่การดำเนินชีวิตนะครับใช่ใช่ใชคืออันเนี้ยที่อาตมาคิดว่าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะมันมีเหตุในเหตุดาเหตุหนึ่งนันก็คือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเพิ่งแต่งงานแล้วก็ได้มาขอคำแนะนำในการดาเนินชีวิตเราก็มองเห็นว่า เอ่การที่บุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในปฐมวัยในยังเจริญอยู่ในปฐมวัยมีเกสา ย, ยัางดำจัดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทเอแล้วการไม่ประมาทเนี่ยหมายความว่ายอย่างไงใช่ไหมแล้วก็าการที่เป็นคารวาสเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็เลยคิดว่าจะพูดเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็มีหลายๆท่านอีกเหมือนกันอย่างน้อย2ท่านได้มาคุยกันเรื่องว่าชีวิตคู่มีปัญหาในการที่จะใช้ชีวิตคู่ต้องการจะเลิกอะไรต่างๆเนี่ย ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเราก็เราในฐานะสมณะเองเนี่ยเป็นพระเนี่ยเราจะควรจะพูดถึงเรื่องนี้ในลักษณะไหนถึงจะถูกต้อง <S 2> <S 2> <S เพราะว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาจจะหลีกเลี่ยงในการพูดเรื่องที่จับคู่กันใช่ไหมเพราะมันจะเสี่ยงกับความเป็นอบัตครับโดยเฉพาะยิ่งตัวอาตมาเองนะตัวเราเองเนี่ยโดยตลอดเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องนี้นะคือคือไม่บอกว่าคนนี้ดีหรือเปล่าคนนั้นดีไหมจะแต่งงานดีไหมโอ้ย ถ้าถ้าจะเป็นเราจะแนะนำเราจะแนะนำให้อยู่เป็นโสตนะแต่ถ้าผมว่าคุณจะแต่งเอาก็ก็จะไม่พูดนะจะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องนี้แต่ว่าถึงจุดนี้คิดว่าควรจะต้องพูดนะพูดยังไงให้เป็นธรรมเป็นวินยัยตัวจริกกรงเอ่อต้องต้องมาถอยกลับมาที่ว่าหลังนั้นแผนที่ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดคืออะไรแต่งงานเท่านั้นเหรอแตนะ่บางท่านอาจจะเคยเห็น forward อีเมลนะที่เขาทำเป็นรูปเนะี่ยว่าเออเกิดมาเป็นเด็กใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยเรียนหนังสือเรียนจบแล้วแต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายเฮชีวิตมีเท่านี้เองเหรอนะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านที่อายุ30กว่าแล้วยังหาคู่ไม่ได้ก็บอกอาขึ้นคานแล้วรถด่วนกระบวนสุดท้ายทําไมฉันต้องมานอนเหงาอยู่คนเดียวเอชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปนะ<ม>ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมเขา impose มานะว่าเอาเอเธอจะต้องเป็นอย่างนั้นเธอจะต้องอยู่อย่างนี้ นะเธออยู่อย่างงั้นไม่ได้เธอต้องอยู่อย่างที่สังคมบอกแล้วพระพเจ้าบอกยังไงเดเราเราถึงจะมาดูเรื่องนี้กันซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่ยาวมากไม่สามารถที่จะจบใน30นาที40นาทีหรือ60นาทีได้เพราะมันจะเป็นหลายๆกรณีครับคนจะแต่งงานคุณจะเลือกคู่ยังไงเแล้วคนที่แต่งงานไปแล้วคุณจะมีลูกหรือเปล่าแล้วจะดําเนินชีวิตอย่างไรแล้วคนที่อยู่เป็นโสต ผู้หญิงก็จะต้องแบบหนึ่งผู้ชายก็จะต้องแบบหนึ่งแล้วการใช้เงินล่ะ mm hmm. การใช้เงินที่เราจะมีอุปสรรคต่างๆญาติมาขอเงินทํำยังไงแบ่งจ่ายทรัพย์ยังไงให้เราอยู่ได้นะให้เราปลอดภัยเป็น mm hmm. เป็นเป็น เ, เคยเรียกว่าไม่มี ภ, ยภยัยเกิดขึ้นอ๋อ oh, และพึ่งตนเองได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีส่วนทําให้สังคมเติบโตไปยังไงด้วยนะครับคือโมเดลที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาจากพุทธปรัชนา นะแล้วก็บางคนจะคิดว่าเอ้ยจะต้องไปจัดการระบบการปกครองเป็นแบบอะไรล่ะประชาธิปไตยประชาธิปไตยครึ่งใบเต็มใบทุนนิยมสมบูรณาสิทธิราชปกปิดตรงนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะเราจะมาโฟกัสที่ตรงโมเดลนี้แล้วถามว่าโมเดลตรงเนี้ยจะสามารถแก้ปัญหาเรื่อง Democracy เรื่อง c ค p i t a l i s m เรื่องไอ้ประชาธิปไตยครึ่งใบเต็มใบคนที่เขาแบ่งเป็นสีสีหมดแก้ได้หมด อ, อือทีนี้ว่าก็จะต้องค่อยๆ อ, อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนนะครับ น, นี่คือประเด็นที่น1นึเหตุรปรากฏเหตุนี้เหตุที่สองที่พูดจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่า เ, ออเวลาที่เราเคยเคยขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยคนที่เคยคเดินทางโดยเครื่องบินหรือแม้แต่เรือก็ตาม เครื่องบินหรือเรือเนี่ยการเดินทางของเขาเนี่ยจะต้องมีไฟล์แพลนนะคือเส้นทางการเดินเรือหรือเส้นทางการบินอใช่ใชเช้นช<ๆ>คนที่ไปจากกรุงเทพไปลอนดอนอย่างเงี้ยเส้นทางการบินของเขาจะต้องอ้อมอัฟกานิสถานไปอ้อม Middle ลอีสต์ไปมันก็จะยาวหน่อยแต่นี่คือเส้นทางการบินของเขาจะไม่ตรงตรงทีเดียวหรืออย่างกรุงเทพไปอุดรธานีเส้นทางการบินเนี่ย ก็จะไม่ตรงทีเดียวก็จะต้องไปอ้อมตรงสูตรปาการแล้วก็บกกลับมาตีโค้งหลีกสระบุรีที่มีเทือกเขาอะไรหน่อยก็หลบไปนะไปทางนู้นในขณะเดียว ก, กันเรือก็เหมือนกันเรื อ, เ, รอเวลาเขาจะวิ่งเขาก็จะไม่ได้วิ่งตรงๆยิ่งโดยเฉพาะยิ่งทางไกลๆใครเคยนั่ง star cruise เนี่ยมันก็จะต้องอ้อมไปตรงนั้นหลีกแม้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะดูร่องน้ำอะไรต่างๆร่องน้ำใช่ครับหลบโขดหินอะไรต่างๆซึ่งนี่คือเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการบิน เภาษาเฉพาะเขาเรียกไฟล์แผนทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางจริงๆเนี่ยจะไม่ตรงเป๊ะนะมันจะมีลมจะมีกำลังเครื่องยนต์ลมต้านลมใช้ลมขวาซึ่งตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เราพยากรไม่ค่อยได้ได้บ้างระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการเดินเครื่องไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการที่เรียกว่าคอ s ค Correction อส c o r r e c ค i o n คือทำยังไงให้เรา Stay On Path ให้เราอยู่บนทางให้ได้ครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูการเดินทางจริงๆเนี่ยอย่างเรือเนี่ยนะเขจะมีตำแหน่งกลาสีเรือกลาสีเรือนี่คือตำแหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกับตันบอกไปทั้งนี้เราจะไปเกาะเนี่ยกลาสีเยือก็เดินทางนี้แล้วขเขาก็จะต้องเป็นคนที่คอยมาส่องลอกล้อ ง, องดูเข็มทิศมาพล็อตบนกระดาษส่องกล้องดูเข็มทิศมาพลอตบนกระดาษแล้วก็หมุนหมุนเอากับตันบ อ, อไกไปที่หมุนหมุนเนี่ยนะออออให้ไปตามทิศทางที่เขาต้องการ ซึ่งจะเป็นคนละคนกับกัปตันครับแล้วก็หน้าที่ในการดู cost correction ของเครื่องบินก็จะเป็นคนละคนกับกัปตันก็จะมอบหมายให้นักบินที่หนึ่งที่สองหรือใครเนี่ยเป็นดูคน cost correction ตรงนี้ดูเส้นทางการบินจริงๆซึ่งถ้าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะพบว่ามันจะเป็นหลักการเดียวกับ differentiate and integrate นะที่เส้นเหลี่ยมๆเนี่ยเส้นตรงๆเนี่ยมันทาให้เป็นเส้นโค้งได้ด้วยการที่ differentiate ซึ่งมันจะไม่ตรงเป๊ะหรอกเราก็จะเดินเดินไปหรือไม่ต้องยากขนาดนั้นก็ได้เอาแค่คนน้ําท่วมใช่ไหมคุณจัเรือฝึกแจวเรือครั้งแรกในชีวิตเขาจับเรือเนี่ยทำไมคุณต้องแจวซ้ายแล้วก็แจวขวาอืมให้มันแปได้พราะอจวซ้ายซ้ายไปเฮ้ยหัวเรือเริ่มเบี้ยวเอาแจัขวาขวาขวาเอาหัวเรือเริ่มเบี้ยก็แจวซ้ายเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเดินไปจริงๆเนี่ยมันไม่ตรงเป๊ะมันจะยึกยักยึกยักยึ่งยักไปอย่างนี้นะแต่เราอยู่ทางในทางก็ใช่ไหม เอไอออนพาอยู่ยังอยู่บนเส้นทางอยู่เพราะฉะนั้นตรงคอนเซปต์หลักการที่เรียกว่าอ่บนเส้นทางนึงคือมรแปดคุณมรแปดนี่กว้างมากเลยมรพงศ์คือทั้งชีวิตของพระราชาก็พูดแต่เรื่องมรแปดใช่ไหมพระทุกองค์ทั้งชีวิตของท่านและองละท่านเนี่ยก็พูดแต่เรื่องมรแปดโอ้ยพูดกันหมดยังไม่หมดเลยแล้วรายละเอียดมันยังไง น, น, นี่คือเหตุที่สองคอนเซปต์ที่สองอันที่สาม นะคอนเซปที่3ก็คือ<ฆ>เหตุที่3เนี่ยก็คือว่าการใช้ชีวิตของกา ม, มโปกีคือผู้บริโภคกามเนี่ยจะไม่เหมือนกับสมณะ <S <S คือสมณะอย่างอาตมาเนี่ยนะเราก็จะเชียร์ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องบริโภคกามหรอกกามมีโทษมากมาบวชซะเราจะนิดแนะนําอย่างนี้จะแต่งงานนะอย่าแตง่งทีนี้มันมันมันไม่ได้หรอกคนเขา <ừ> จะบริโภคกามอ่ะเราทง ค, คนเขายังยินดีในกามใช่ไหมยังยินดีเงินทองที่มีเดี๋ยวเปิดดูธนาคารนี่จะมีเท่าไหร่โอ้โอเห็นตัวเลขกันดีใจหรือเห็นตัวเลขอาเสียใจแล้วบางคนก็ยังยินดีในนาฬิกาสวยๆโทรศัพท์มือถือดีๆในะเสื้อผ้าเนื้อละเอียดนะยินดีด้วยการที่เออไปกินข้าวตอนเย็นนะไปเทตะไปผับยินดีแม้กระทั่งว่าเออได้ไปซื้อของอร่อยๆมากินอยากกินอะไรก็ซื้อได้นะพวกนี้คือกามตัางนั้น เป็นผู้ยังยินดีในการบริโภคกามมันมีอย่ในโลกมันมีใช่ไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณเลิกเถอะเลิกหมดเลยนั้นมาบวชก็ได้ระดับหนึ่งคนที่เขามีจิตใจน้อมไปในทางหลีกออกจากกามเขาก็จะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วทีนี้อาตมาก็จะหลีกเลี่ยงในการพูดเรื่องนี้ถ้าถ้าอาตมาไม่ได้พูดถึงเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์เนี่ยนะเอพิซอดที่เท่าไหร่มาลัทธิที่เราพูดเรื่องเรื่องกามอย่างเดียวเป็นชั่วโมงชั่วโง ตอนนั้นแหละนะประมาณปะมาช่วงสามสิบกว่านะ ค, ะะนครับก็คือตอนที่สามสิบเจ็ดกับสามสิบปดในเอพิโซดที่สามสิบเจสิบปดตอนนั้นรายยาวเต็มที่เลยเรื่องโทษของกา ร, รทั้งหลายแต่เพราะฉะนั้นเราได้พูดตรงนั้นมาแล้วอาตมาจึงสบายใจว่าเอออย่างน้อยเราได้พูดโทษของกา ร, รแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะสอนวิธีการเสพการรมล่ะเอาพูดใหม่เราจะสอนวิธีการใช้ชีวิตอย่างผู้บริโภคกามให้ปลอดภัยพูดอย่างนี้ดีกว่าเอ้าครับ เพราะฉะนั้นคนผู้บริโภคการเนี่ยมันมีหลายฐานะแะ่ถ้าเราหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดในลักษณะที่เอาแบบพรุทธเจ้าพูดก็แล้วกันทําไมพระพุทธเจ้างถึงบอกให้มีการแต่งงานทนะําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกให้มีการบวช ด, ด้วยนะั่แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สําหรับแต่ละคนแต่ละท่านจะต้องตัดสินใจเอาเพรา ะ, ะนี่จึงเป็นเหตุที่สามในการที่จะมีเซกชันนี้คือแผนที่ในการดําเนินชีวิตครับ คือคนที่เป็นคารวาสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้าชัดเจนว่าเป็นทางใหม่ทุลีครับเป็นทางใหม่ทุลีพูดิกทางก็ได้เป็นทางใหม่ทุลีเพราะมันจะมีเส้นทางอะไรที่มันจะทําให้เราบิดเบือนออกไปทาให้เราเฉ๋ยใช้ไปจากสิ่งที่เราควรจะเป็นมาล่อลวงไปนู่นไปนี่นะมันเป็นธรรมดาของอชีวิตคารวาสครับอย่างที่เคยบอกไปนะอาตมาไม่เคยมีใครมาชวนไปกินข้าวเย็นนะเราก็รเราไปข้างนอกเห็นอะไรเนี่ยเราจะไปซื้อกิน กินไปคุยไปเดินเอิกอกักมันไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ครับบ้าน ท, ทําได้อยากกินเหล่านี้ก็ซื้อเลยนะไม่ต้องมาเกรงใจใครอยากอยากได้อะไรก็เก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของผู้บริโภคกา ร, รนะครับสับภาษาพระเช้าก็คือ ย, ยังยินดีในเงินและทองนะนอนเบียดปุดยินดีในผ้าเนื้อละเอียดจากแคว้นกาสียินดีในของหอมเครื่องรูปลายรูปถาพวกนี้ทั้งหมดนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณท่านผู้ฟัง ย, ยินดีในเสิ่งนี้ก็ให้ทราบเลยว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคกรรมรมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกทุลีเข้าตาก็จะมีเจ็บได้เพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งงานเพราะนั้นก็จะเริ่มพูดไปทีละประเด็นถึงบุคคลที่จะแต่งงานหรือบุคคลที่แต่งงานแล้ว น, นี่คือ2กรณีก่อนนะเอาตั้งแต่เรียนหนังสื อ, เ, อ, อเรียนหนังสือจบแล้วจบแล้วจะแต่งงาน อ่าครับจะแต่งงานแล้วก็แต่งไปแล้วแล้วจะมีลูกนะหรือว่าถ้าคนโสดน่าจะทําอะไรเนะีเพื่อนแบบไหนแล้วก็ยังจะต้องพูดถึงการใช้จ่ายทรับนะไม่ว่าจะโสดหรือจะแต่งงานก็ต้องมีการใช้จ่ายทรัพยบนะในรายรละเอียดซึ่งเรื่องนี้ <ừ. S 1> เราพูดไปแล้วหน่อยหนึ่งแต่ตรงนั้นเนี่ยอาตมาพูดไม่ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่นะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเรามามองจากมุมของผู้ไม่บริโภคกามกับผู้บริโภคกามจะไม่เหมือนกัน วันนี้จะเข้าไปอยู่ในมุมของผู้บริโภคการล่ะอข้อที่หนึ่งก่อนนะคือเมื่อคุณเรียนจบมาแล้วหรือว่าคุณเพิ่งเริ่มอยู่ในปฐมวัยแห่งชีวิตใช่ไหมปฐมวัยแห่งชีวิตเนี่ยก็บางคนก็จะแต่งงานหรือจะไม่แต่งงานล่ะเราพูดประเด็นนี้ต่อนะครับคนจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยก็ทําไมถึงมีการแต่งงานพระุทธเาบอกว่าสําหรับหน้าที่ของมารดาปิดาอันที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือว่าให้มีคู่ครองที่สมควร ทีนี้คำว่าที่สมควรนะฟังให้ดีเลยที่สมควรคืออะไรสมควรหน้าที่ของมาดาบิดาอันที่หนึ่งนะคือหาคู่ครองให้มีคู่ครองที่สมควรเพราะฉนั้นจึงมีการแต่งงานถ้าเผื่อว่าพระมาเชียว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องแต่งงานหรอกเราก็จะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้านิดหนึง่งนะทีนี้เราต้องพูดว่าถ้าคุณจะมีคู่ครองสมควรนี่อะไรคือสมควรหนึ่งต้องมีศีล น, นะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบกับคู่สามีคู่ภรรยาเนี่ยไม่มีศีลใช่ไหม ศีลฟังให้ดีนะคือความเป็นปกตินะ ค, ความเป็นปกติถ้าคนไม่มีความเป็นปกติที่ดีเนี่ยนะมันก็จะเริ่มออกลายเวลาแต่งงานกันไปเอ๊ะ <Hey, S 1> ทำไมตอนเป็นแฟนกันอยู่อ่ะแหมดูแลดีดีใช่ไมอันนี้ก็หาไมา่ให้กินอันนั้นก็มาหาไมา่ให้ใช้เทคแคร์ดีไปรับไปส่งเอ้ hey, พอมันแต่งงานนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ ม, มันไม่เคยยกย่องเลยมันไม่เคยมีแต่การดูถูกไม่เคยซื้ออะไรมาให้อะทาไมเป็นอย่างนี้ ก็เขามไม่ปกติไงเขาไม่มีความเป็นปกติในชีวิตของเขาครับเอาเราไม่ต้องพูดถึงความปกติอะไรที่เลิศหรูอลังการนะเอาแค่ความเป็นปกติของห้าข้อว่าไม่ฆ่าไม่ลกักไม่โกหกนะอะไรก่อนก่อนแต่งงานทุกอย่างเออเ อ, อ, อ, อหอหมกหมดทุกอย่างพอมาหลังแต่งงานเริ่มโกหกละก็มันไม่ปกติไงพอเริ่มโกหกมันก็มีสิ่งเหม็นเมออกจากปากเหม็นเมออกจากปากทําตัวไม่ดีก็ มีสิ่งเน่าๆเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกเหมือนกับซากศพอยู่กับซากศพผีดิบอยู่กับผีดิบถ้าคนไม่มีศีลทั้งคู่<ต>นะถ้ามีศีลก็ถือว่าเป็นเทวดาแต่นะเป็นเทวดาอยู่กับเทพบุตรอยู่กับเทพธิดนะาแต่ทั้งสองฝ่ายเป็นอา่าเป็นคนมีศีลถ้าไม่มีศีลผู้ชายไม่มีศีลใช่ไหมก็เป็นซากศพอยู่กับเทพธิดาถ้าผู้ชายมีศีลผู้หญิงไม่มีศีลก็เป็นเทพบุตรอยู่กับซากศพเพราะฉะนั้นศีลคือข้อที่หนึ่งที่ในความหมายที่สมควร นะข้อที่สองจะต้องมีทิฐิเสมอกันคนคสองคนจะอยู่กันรอดเนี่ยนะจะต้องมีทิฐิเสมอกันความเห็นเดียวกันความเห็นกันทิฐินี่คือจะอยู่กันไปผู้เช่าบอกว่าจะอยู่กันไปแบบข้ามภพข้ามชาตินะนะครั บ, รบจะอยู่กันไปข้ามภพข้ามชาตินี่คือนัยยะอีกนัยยะหนึ่งแล้วก็ออขอไปไอ้ที่พูดมาสองอย่างเนี่ยคือทิฐิกสีนี่คือจะอยู่กันอย่างเป็นสุขในโลปัจจุบัน <น>แล้วยังจะต้องรวมเรื่องทิศถกไปด้วยซึ่งจะพูดในในวันนี้แหละอีกต่อไปสัหน่อยหนึ่งทีนี้ถ้าจะเจอกันไปตลอดนะจะเจอกันไปตลอดข้ามพบข้ามชาตินะจะต้องมีคุณธรรมอะไรคือเคยเห็นไหมคนที่เขาแต่งงานกันแล้วไม่ไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยนะอยู่กันจนสี่สบห้าิปีอายุเก้าสิบเราก็ยังยังอยู่กันอย่างสบายใจนะพ่อแม่บางคู่เราคงเห็นอยู่ครนะหรือว่าอีกอีกกรณีหนึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ นะหปี7ดปีพอแต่งงานกันไปเรียนจบไปทํางานแป๊บหนึ่งแต่งงานกันไป6เดือนเลิกก็มีนะ เ, เพื่อนแตลมา ก, ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคบกันมา6กเจปีนะพอแต่งงานไปแล้วเลิกหกเดือนเท่านั้นเองมันก็เป็นเหตุไม่เหมือนกันนะนะทีนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคู่ที่จะพบเจอกันไปตลอดนะแล้วก็อยู่กันได้อย่างยืดไม่มีปัญหาเนี่ยก็ด้วยคุณธรรมสี่อย่าง มีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือศีลอย่างที่สองคือศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอย่างที่สามคือจารกะการให้การบริจาคและอย่างที่สี่คือปัญญาออย่างจาคกะอย่างเนี้ยอย่างผัวมาวัดใช่ไหมมากับเมียเนี่ยแหละปรากฏว่าจะควักเงินทําบุญแล้วผัวจะควักพันหนึ่งเมียกระซิบบอกอร่อยพออร่ออือห้าร้อยันไปคนละที่นะจิตไปคนละที่นะหมอระโธ คนหนึ่งทําบุญพันหนึ่งจิตด้วยศรัทธาอีกคนหนึ่งด้วยจิตตะนันีบอกห้าร้อยพอถ้าตายไปไปคนละที่เลยกูจะไม่มาเจอกันเะรัว่าจะไปเทวดาเป็นเทวดาสูงกว่ามีอจจะเป็นเทวดาต่ํากว่าเวลาจุติลงมาอุบัติเป็นมนุษย์ไม่จะเจอกันหรอกมันไปคนละช่วงเวลาแล้วอืมใช่ครับอเพราะฉะนั้นสี่คนธรรมนี้นะศรัทธาศีลจาระพัญญาจะทําให้มาเจอกันอยู่เรื่อยๆคนที่เขาเจอกันมาหลายภพชาติแล้วอ่ะเขาจะเข้ากันได้ไปกันได้ นายมีภาษาเหมือนกันไม่ค่อยเถียงกันอยู่กันได้นะไปตลอดก็้าใจไห ม, มเพราะว่าเพราะว่ามันเคยชินกันมาแล้วอืแสดงว่าเขามีศรัทธาศีลจาระคับปัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดเลือกคู่ครองที่สมควรแม่ในเชียร์ละเกินให้ลูกแต่งงานถามแม่หน่อยแม่เจอคนแบบนี้ไหมที่มีศรัทธาศีลจาระปัญญาเสมอกับลูกอืเป็นเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ที่วัดเลยวัดชัดเจนมากถ้าคุณคจะแต่งงานเพราะว่าเอ้ยโอ้โหไอ้หมอนี่มันหล่อเว้ยหรือแมห้ นางคนนี้มันสวยไว้อืมแล้วสวยนี่โ้โหดูส่ว่าเขามีตายอย่างนี้มีสกุลุนชาติอย่างนี้สวยอย่างนี้นะหรือว่าฉันเกล็ดคนนี้ฉันก็เลยไปแต่งงานกับคนนี้ประชดหรือว่าฉันชอบคนนี้ฉันชอบพี่แต่ไปแต่งงานกับน้องสาวหรือว่าฉันอะไรคือด้วยเหตุผลอันเป็นกามอะ่ะตาหูวจมูกลิ้นกายคุณไม่ ค, ควรคุณไม่ต้องอย่าแต่งอย่าแต่งด้วยเหตุนี้นะเพราะอะไรไม่ต้องพูดถึงสิบปีหรอกมาลพง์เอาคแค่ห้าปีหน้ามันก็เปลี่ยนแล้ว ใช่ครับเอาหลังมีลูกโอ้โหมันจากไซส์เอไปเป็นไซส์เออคนละเรื่องกันเลยมันไม่ต้องรอถึงสิบปีเราเอาห้าปีคุณก็อยู่ทนไม่ได้แล้วแต่ว่าไอ้คุณจะทำสี่อย่างนี้กับสองอย่างนั้นนะคือศรัทธาจาคะศีลปัญญาเี่ยกับสองอย่างนั้นคือศีลกับทิฏฐิเนี่ยจะทําให้เราอยู่รอดไปได้จนตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะเลือกคู่คุณต้องเลือกอย่างนี้ดูคู่ครองที่สมควร นะคู่ครองที่สมควรคือมีคุณธรรมสี่อย่างอย่าไปเห็นว่าเขามีรูปร่างหน้าตายอย่างไรมีสกุลชนชาติอย่างไรนะคนมารดพงมันไม่มีใครหรอกที่ตามันจะอยู่ใต้ปากนะทุกคนก็มีตามีจมูกมีปากเหมือนกันนะจมูกก็มีสองรูหูก็มีสองข้างนี่มันมาตรฐานอยู่แล้วเราไม่ได้พูดถึงคนที่หน้าตาประหลาดแบบจมูกมาอยู่ข้างหูแล้วหูมาอยู่ตรงกลางมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้น แล้คนเรายังไงมันก็มีแค่เนี้ยสองตาหนึ่งจมูกหนึ่งปากหูสองข้างนะผมอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ยังไงตรงใกล้หูมันก็ยังมีผมอยู่ดีใช่ไห ม, มเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคนน่ะคนเขามไม่ได้วัดที่ตรงนี้ไงคนเขาวัดที่ข้างในว่าคุณจะเป็นซากศพหรือจะเป็นเทวดาละ่ะซึ่งตรงนี้คือวัดที่ศีลความเป็นปกติอัตมาไม่ได้พูดถึงความเป็นปกติทั้งห้าข้อนะถ้าคุณจะเป็นสุดยอดของผู้บริโภคกรรมคือผู้บริโภคก ร, รมชั้นเลิศคุณต้องไม่ใช่แค่ห้าข้อ Hmm. ความเป็นปกติของคุณต้องมากกว่านั้นผูู้้ชาติเคยเปรียบเทียบกับรสชาติที่เกิดจากโคนะผู้บริโภคกามเนี่ยคือผู้ที่ยังยินดีทองและเงินนะแล้วก็ยังยินดีเครื่องใช้ของสวยๆงามๆยินดีในการหาเงินนะาังกันเถอะจะเปรียบเหมือนกับรถนมเขาเอานมมาคือคือโคเนี่ยมรดภงรู้จักวัวใช่ไหมวัวเนี่ยให้นมใช่ ถ้าเราไม่ไม่กินนมวัวเราก็เอาวัวมาฆ่ากินซะกินเนือ้อมันแต่กินเนื้อมันเนี่ยก็ได้แค่วันสองวันหมดหมดอ่าแต่ถ้าเราหรือเป็นสัปดาห์แค่นั้นเองถ้าแช่ตู้เย็นเก็บไว้แต่ถ้าเราเอานมมันมากินเนี่ย cleaning, เรากิน ไ, ไ, ได้เป็นปีๆได้เป็นปีคนะคสิบปีนั่นน่ะถ้านมบัวมีรูปอะไรมันก็กินได้อีกมะ น, นั้นกินนมมันนะครับทีนี้นมเนี่ยออกมาเก็บไว้ก็ได้แค่เอวันสองวันเสียละอืเขาก็จึงมีวิธีการเอามาใส่ยีสต์หมักเอาไว้เป็นเนยเนยนี่เก็บได้นานหน่อย เจ็ดวันันเก็บได้นทีนี้เนยเนี่ยถ้าเราเอามาต้มแยกส่วนให้เป็นเนยใสกับเนยข้นเอาส่วนที่เป็นเนยข้นเก็บไว้ที่ก็จะเก็บได้นานอีกเป็นเดือนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเนยใสเนยใสก็มีคุณสมบัติเป็นยาเอาเนยใสนี้มาต้มอีกแยกส่วนแล้วก็เอาเฉพาะที่เป็นหัวเนยใสช้อนออกมาเหมือนกับที่ใครเคยกินน้ำเต้าหู้นะมันจะมีส่วนที่ลอยอยู่บนตรงนี้นจะเป็นฟองเต้าหู้เนี่ยเา คนที่กินเจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ละเอียดอ่อนเป็นเดลิเคซี่เป็นอาหารที่ประณีตนะเอามาทําหูกี้เอามาทําอะไรที่มันประณีตประณีตขึ้นไปเช่นเดียวกันกันกบหัวเนยไสอรเป็นสุดยอดมีคุณสมบัติเป็นยาเก็บได้นานเป็นปีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชาวอินเดียทั่วไปเนี่ยเขาจึงจะบอกว่าหัวเนยไสยเนี่ยเป็นสุดยอดของรสชาติที่เกิดจากโคนะไล่มาเลยตั้งแต่เนื้อโคนมบัวเนยไสเนยข้นะ แล้วก็หัวในยใส่หัวเนยใส่เนยใสในยข้ใ น, ใ น, นหัวในยใสนมส้มนี่ก็มีอีกอย่างหนึ่งแยกมาจากเนยครับทีนี้ว่าหัวในยใส่เนี่ยเป็นสุดยอดของรถที่เกิดจากโครถรอเรือส่อเสือนะเช่นเดียว ก, กันกับผู้บริโภคกรรมผู้บริโภคกรมห่วยๆก็มีกลางๆก็มีสุดยอดเลยก็มีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคกรมชั้นเลิศนี่จะต้องฟังตอนนี้ตอนต่อไปและคงอีกจะมีอีก2ตอน แต่นะเพื่อให้มันจบภายในสามหรือสี่ตอนนี่แหละเพื่อ ร, รู้ว่าไอ้ผู้บริรโภคการชั้นเลิศเนี่ยคุณจะต้องเป็นยังไงเราไม่ได้พูดถึงแค่สี่ห้าแล้วนะเราพูดถึงความเป็นปกติอย่างที่คุณควรจะต้องเป็นปกติอโอเคข้อที่หนึ่งเรื่องการเลือกคู่คุณจะต้องมีปกติอย่างนี้เนะเรื่อง ค, คนที่มีศีลเป็นปกติศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าคบกันปีสองปีจะรู้ไม่ใช่ว่าคนบื้อๆจะรู้ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนฉลาดและต้องดูกันระยะเวลานานต้องอยู่ร่วมกันถึงจะรู้ได้ ต้องคอยดูการดูใจกันคบหากันไปต้องมีเหตุการณ์มาทดสอบด้วยนี่จึงจะเข้าข่ายหน้าที่ของมนาบิดาที่ให้ให้บุตรมีคู่ครองที่สมควรถ้าคุณหาคนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งครับถ้าหาได้จะแต่งก็สามารถแต่งได้อย่างนี้นะถ้าเหตุปัจจัยพร้อมก็แต่งได้ทีนี้จะแต่งมันต้องมีพิจารณาอีกนะไม่ใช่แค่คู่อย่างเดียวเดี๋ยวก่อนที่จะแต่งเนี่ย แล้วถ้าไม่แต่งเราจะทายังไง <c oughs> ถ้าจะอยู่เป็นโสดนะก็จะมีตอนตอบต่อไปที่พูดถึงคนโสดคนคโสดเนี่ย ค, คุณจะต้องมีเพื่อนนะเ<ช>พื่อนคุณจะต้องมาเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้คือบางคนอาจจะกลัวว่าโอ้ยแล้วตอนแก่ไปใครจะมาดูใจฉันแล้วตอนเหงาๆจะมีเพื่อนคุยไหมแล้วตอนอแก่ไปแล้วไม่มีลูกแล้วลูกมันจะดูแลหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณแก่ไปนะที่จะพูดเรื่องคนโสดนิดนึงก่อน ถ้าใครกลัวว่าศพไม่มีเผามาวัดป่าตอนไหนโฉกเดี๋ยวเผาให้อถ้าตายไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็ถ้ากลัวไม่มีคนดูแลเราหาเพื่อนดีสิชเราหาเพื่อนดีๆซึ่งเพื่อนดีๆรายลเอียเป็นยังไงจะพูดในตอนของคนโสดอแต่ตอนนี้จะพูดเรื่องคนแต่งงานก่อนครับทีนี้พอจะแต่งงานก่อนจะแต่งงานนะคุณมั่นใจก่อนนะว่าคุณทําหน้าที่นี้ได้อห้าอย่างห้าอย่างภรรยาต้องทําหน้าที่ห้าอย่างนี้สามีต้องทําหน้าที่ห้าอย่างนี้ถ้าคิดว่าเราเจอคนนี้แล้ว นะมีศรัทธามีจารค้ามี ส, มมสีมีปัญญาแต่เขายังทําหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้ไม่ต้องแต่งครับอ่ถ้าเขาจะทําหน้าที่เหล่านี้ได้แต่งแต่งได้อ่อ ค, คือหมายความว่าเราเออกให้เขาดูเลยเฮ้ยคุณทําหน้าที่นี้ได้เปล่าครับแล้วฉันจะทําหน้าที่นี้ได้ไหมอ่าพูดกันไปอย่างนี้นะครับหน้าที่นั้นคืออะไรครับกนะ็มีหนึ่งในเรื่องของที่ตั้งหกอ่าข้อที่หนึ่งคือด้วยการยกย่องข้อที่สอง ด้วยการไม่ดูหมิน่นอ่ะพอแค่นี้ก่อนนี่คือ<ะ>หน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาถูกไหมครับด้วยการยากย่องด้วยการไม่ดูหมิน่น ด, ด้วยการยากย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นฟังให้ดีครั้งหนึ่งสามีทั้งหลายด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นคนที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยนะคือเป็นแฟนกันอยู่หรือว่าคนคที่เราแต่งงานไปแล้วนะเรานะผู้ชายนะมีหน้าที่คือด้วยการยกย่องแล้วก็ด้วยการไม่ดูหมิน่นการยกย่องกับการไม่ดูหมิ่นคืออะไรง่ายๆเอายกตัวอย่างบนโต๊ะอาหาร <c oughs> สามีบางคนกินอาหารร่วมกับร่วมกับภรรยาใช่ไหมภรรยาอาจจะทําอาหารเองหรือว่าซื้อกับข้าวมากินแต่กีเ้เสร็จแล้วบนโต๊ะอาหารสามีก็บอกว่าอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะว่าไม่เห็นชอบเลยไม่เห็นอร่อยเลยเอาแค่พูดแค่เนี้ยคุณดูหมิ่นเขาแล้วนะ <ừ> เพราะว่าเขาเป็นคนจัดการนี่ <ừ> เขาเป็นคนทําอาหารหรือว่าเขาเป็นคนซื้อกับข้าวมาเดี๋ยวนี้แม่บ้านก็อ่านถุงใช่ไหมแม่บ้านอ่านถุงไม่เป็นไรแต่คุณซื้อมาคุณจัดการเรื่องนี้แต่สามีบอกไม่เห็นอร่อยเลยแค่นี้คุณดูหมิ่นเขาละ แล้วหรือเวลาที่เขาแต่งตัวมาสวยๆคือบางคนเนี่ยแต่งงานกันไปหลายปีนะมรดบมันเชฟอะไรมันก็ไม่อยู่กับร่องรอยนะอ่หลังจากมีลูกไปนี่ก็เบิบบ่าขึ้นมาเนี่ยนะแล้วแล้วเวลาไปงานดินเนอร์อย่างเงี้ยแต่งชุดราตรีอย่างดีเลยแต่ดันเลือกสีที่ไม่สวยงามเอาสีเขียวมาใส่กับสีแดงเอาสีม่วงมาใส่กับสีเขียวอย่างเงี้ยนะมันไม่เข้ากันทั้งสิ้นเลยนะทั้งทรงผมทรงอะไรแล้วสามีนี่ก็ไม่เคย ไม่คือยดูหมิ่นเขาอีกว่าเขาแต่งตัวไม่ดีองไรต่างคุณติดลบเลยนะนี่ชื่อว่า<ม>เป็นดูหมิ่นเขาแล้วนะหรืออย่างน้อยเนี่ยเราจะยกย่องเขาได้ยังไงเอาแค่ว่าเขาแต่งตัวมาไม่มีส่วนไหนจะดีเลยขอให้สร้อยใส่แค่กําไรเส้นหนึ่งหรือสร้อยเส้นหนึ่งที่เราว่าคิดว่าดูดีเราชมตรงนั้นเนี่ยโอ้สร้อยเส้นนี้สวยนะเธอแค่นี้คือชื่อว่ายกย่องเถอแล้วนะมไม่ได้ยากอะไรเลยครับนะหรืออย่างบางคนทํากับข้าวมาเอาแค่มาม่าต้มมาม่ามอเตอร์โฟล ผู้หญิงต้มมาม่าม า, มาอ่ภรรยาต้มมาม่าม า, มาดันไปตีไข่ใส่เต็มๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับไม่น่ากินอ่ะผู้ชายก็บอก <c oughs> โอ้ยเหมือนเหมือนอ้วกหมาเลยโอ้ยอย่างงี้ก็ไปดูหมีเขาอะ่ะ <c oughs> เขาเป็นคนทน<ต>ําอ่ำนึกออกไหมคุณไม่ทำหน้าที่ของสามีที่ดีละคุณติดลบละติดลบหนึ่งละ <c oughs> นะติดลบเนี่ยมันติดลบไ ป, ไปเรื่อยๆ <c oughs> ติดลบนี่มันติดลบไ ป, ไปเรื่อยๆเอาหน้าที่ของภรรยาต่อสามีหน้าที่ของภรรยาต่อสามีข้อแรกคือก็คือข้อหนึ่ง นะครับจัดแจงการงานอย่างดีดูแค่ข้อนี้คุณจัดแจงการงานอย่างดีการงานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องมาเป็นคนทําเองคือพระเจ้าใช้ว่าจัดแจงการงานอย่างดีการจัดแจงการงานอย่างดีในที่นี้คืออย่างเช่นว่าทำำาําความสะอาดบ้านอย่างนี้เราไม่ต้องไปลงไปทําเองเป็นอีแจลบใช่ไหมเราอาจจะจัดแจงเข้าใจไหมเป็นคนจัดการหาคนมาทำอะไรต่างๆ่างการทกับข้าวเราไม่ต้องทําเองก็ได้ซื้อก็ได้แต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วมันเย็นๆอย่างนี้ ถ้าคุณเอามาเสิร์ฟมากินเนี่ยมันไม่อร่อยแสดงว่าคุณจัดแจงการงานไม่ดีแตวคุณต้องเข้าไมโครเวฟก่อนการ น, นี้อันที่1ข้อที่2 อ, อย่างสงเคราะห์คนข้างเคียงใช่ไหมข้อที่สองคืออะไรมอละทวใช่ครับสงเคราะห์คนข้างเคียงดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีอย่างเงี้ยอย่างเขาไม่ได้อะไรหนักหนามากมายนะอย่างเช่นเวลากินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ย ค, คือภรรยาเนี่ยหน้าที่จะต้องดูแลคนข้างเคียงของสา ม, มีอย่างดี ไม่ใช well, ่แค่ตัวเขาไม่ได้คุณไม่ได้แต่งกับผัวเท่านั้นนะคุณยังแต่งกับพ่อผัวแม่ผัวเพื่อนเนของผัวลูกน้องผัวทุกๆเพื่อนของผัวทุกคนเพื่อที่จะดูแลเขาอย่างดีหมายความว่าอย่างเช่นว่าเวลากินข้าวโต๊ะอาหารร่วมกันอย่างนี้คุณตักข้าวให้สามีสามีพ่อของสามีไหมหรือว่าพ่อของสามีแก่แล้วแม่ของสามีแก่แล้วจะลุกขึ้นเนี่ยคุณช่วยประยุงเขาไหมแค่ที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนที่จะจะบวกจะบวกนะแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณติดลบหลัง ต, ติดลบหนึ่งภ mm hmm. รรยาติดลบหนึ่งในใจของสามีนะ <Okay. S 1> หรือการจัดแกงการงานอย่างดีอย่างเงี้ยบางทีบ้านก็นเลอะเทอะฝุ่นเยอะแยะเสื้อผ้าไม่ซักพวกนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาคือไม่ได้หมายว่าคุณต้องไปทำแต่คุณต้องเป็นคนจัดการก็ mm hmm. ใช่ไหมอาจจะมีคนรับใช้มาช่วยทำใช่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นหน้าที่ของสามีนะ ข้อที่สคืออะไรหน้าที่ของสามีข้อที่3หน้าที่ของสามีก็คือด้วยการไม่ประพฤกษนอกใจครับอ่าแล้วก็ข้อที่4ี่คือมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยผู้สามีเนี่ยต้องการต้องมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะคือบางทีอาจจะเราอาจจะทํางานนอกบ้านนะเราไม่ได้ทํางานบ้านอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ตรงเนี้ยก็ต้องปรึกษากันว่าจะมอบให้ใครเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุยกันเอาปรึกษากันนะว่าใครจะมีคนทำนะคือ มันก็จะต้องแบ่งปันกันไปเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้เคยอยู่กันมาก่อนนะหรือเคยอยู่กันมาก่อนแต่ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันตอนนี้มาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วคุณจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันาสามี ร, า this, รับผิดชอบตรงนี้ภรรยารับผิดชอบตรงนี้นั่นเราก็คุยกันไปเพราะนั้นเราจึงจะจะอยู่กันได้คือถ้าเผื่อว่าต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่ได้นี่หมายความว่าคุณไม่รักษาหน้าที่ของคุณใช่ไหมสามีไม่ยกย่องแล้วก็มีแต่ดูหมินนะเออมันก็จะทําให้ติดลบในใจของภรรยา ภรรยารไม่ดูแลการงานอย่างดีไม่รักษาคนข้างเคียงอย่างดีนั่ยมันก็สะติดลบในใจของสามีมแล้วถ้าลบกันไปลบหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยความอดทนมันสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คือตรง น, นั้นแหะเลิกเลิกกันครนะความอดทนตรงนี้มันมีตลอดแหละคือคื อ, อยังไงคนเรามันก็ต้องอดทนนะนะถามว่าความอดทน ค, คุณอยู่แค่ไห น, นอ่ะถ้าคุณตายก่อนก่อนที่จะอดทนได้ใช่ไหมก็แสดงว่าอยู่กันไปตลอดชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าคุณตายทีหลังขีดความอดทนอดทนไม่ได้ตั้งแตงก่อนหมดก่อนคุณก็เลิกกันอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องให้อยู่ในแดนบวกตลอดเราก็ทําสิ่งที่ดีแล้วมันไม่ได้ยากอะไรหมอทวดพงษ์อย่างผู้ชายอย่างเงี้ยยกย่องเธอหน้าที่หนึ่งในหน้าที่คือยกย่องเธอมันไม่ได้อะไรมากมายนะเอาแค่ว่าเขาเปลี่ยนทรงผมจากแสกข้างซ้ายมาแสกข้างขวาเรา n o t i c แค่เนี้นะเห็นรายละเอียดแค่นี้แล้วก็พูดคิว่าโอ้ วันนี้เปลี่ยนแสกผมดูดีนะแค่นี้เองคุณบวกหนึ่งในใจภรรยาน ะ, ะหรือว่าเขาเปลี่ยนสร้อยข้อมือนะเปลี่ยนแหวนจากข้างนิ้วสวมนิ้วกลางมาสวมนิ้วนางเอาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ถามพูดแค่เนี้นี่ก็ยมยอ่ยองเธอละนะเปลี่ยนกําไรจากสีนี้เป็นสีนั้นเราพูดนิดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าเรายกย่องเขาแค่นี้เองมันไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องเสแสร้งอะไรพูดไม่ต้อ ง, ง, งอก็พูดตรงๆคุณบางคนเนี่ยหน้าหน า, น า, นาผู้ชายนะ ครับเป็นคนที่ oblivious มาก oblivious เนี่ยหมายความว่าคือคือทำอะไรจงแจ้งแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอ่ะมันมันไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่างประสงค์หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยควรจะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ละเอียดละเอียดในในเรื่องที่คอยสังเกตสังการนัล่จะดีนะข้อที่สามของผู้ชายคือไม่ดูหมิ่นเอ่อเข้าไปไม่ไม่นอกใจถูกไหมไม่นอกใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ สันนิษฐาว่าอธิบายเข้าใจกันไปแล้วเนาะมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เช่นเรื่องดูแลลูกเรื่องทำงานบ้านหรือว่าดูแลลูกผู้ชายอาจจะดูแลอย่างนายกรัฐมนตรีตอนนี้เป็นผู้หญิงหน้าที่ของผู้ชายคือดูแลลูกแล้วผู้หญิงทำอะไรคุณก็ดูแลเรื่องอื่นไปก็จะแบ่งหน้าที่กันไปเนาะทีนี้ข้อที่5้าคือด้วยการให้เครื่องประดับ ด้วยการให้เครื่องประดับให้มอบเครื่องประดับให้เธอบางคู่นะลูกเข้ามหาลัยแล้วหมอรัตพงศ์แต่งงานกันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะจนลูกจะเรียนจบมหาลัยแล้วเนี่ยเครื่องประดับที่ให้ชิ้นแรกก็คือแหวนตอนแต่งงานจากนั้นไม่มีเลยไม่ได้แห้งแรงไม่ได้เลยนะเราต้องมีผู้ชายต้องมีมากน้อยให้มีแต่บางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าสามีบางคนพอได้ยินข้อนี้บอกโอ๊ยภรรยาผมไม่เอาไม่ชอบ คุณอย่าพูดเลยภรรยาเขาพูดเปอย่างนั้นแหละบางคนบอกว่าซื้อทองแล้วทองแพงซื้อมาทมมําไมอืยังไงในใจเขาก็ายังดีใจทางผู้หญิงทุกคนสอิอย่าพูดเลยว่าตัวเองไม่ดีใจเวลาสามีซื้อเครื่องประดับให้ต่อให้ของมากของดีของน้อยของต่ําต้อยหรือว่าของเลื่อนหรูอลังการขนาดไหนมันก็ยังมีส่วนที่ดีใจอ ย, อยู่อันนี้คือบวกหนึ่งแล้วนะบางคนจะบอกอคุณของแพงจะไปซื้อมาอะไรของอย่างนี้เราต้องดูนะว่ามันมีมูลค่าเพิ่มตามราคา อช่ันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์ด้วยนะว่าอย่างทองอย่างเงี้ยราคามันขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยนะคุณจะซื้อสลงหนึ่งบาทหนึ่งสิบาทแนะมันก็ยังเป็นของที่ขึ้นราคาต่อให้ภริยาจะว่าว่าอุไปซื้ออะไรของแพงเอออย่างไงก็ให้มันเหมาะสมอะไม่ได้ว่าซื้อทุกเดือนหรือซื้อทุกวันนะให้มันมีบ้างนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วภรรยานะหน้าที่ที่ห้าคืออะไรหน้าที่ที่สี่และห้าหน้าที่ที่สี่ที่ภรรยาควรประพฤติก็คือ อันที่สี่ก็คือตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่นั่นแหละทรนะัพย์ที่เอามาได้มาจะเป็นแก้แหวนเงินทองขึ้นระดับหรือเงินสดคุณจะต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะใช้สิ่งที่เหมาะสมเป็นคนประหยัดมัธยัติในภาษามีบางคนเห็นภรรยาซื้ อ, อไอเทมที่มันลักชัวรี่ไอเทมส์มากเกินไปเนี่ย<ม>ก็จะเข้าข่ายภรรยายล้างผลาญภนะรร ย, ยามีเจ็ดประเภทนะที่เรา ภรยาเประเภทก็คือ1นึ่ภรยาเสมอด้วยเปชกาศนะสคือเสมอด้วยโจรครับสคือเสมอด้วยนายนะสคือเสมอด้วยแม่แล้อันที่5คือเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว6เสมอด้วยเพื่อนนะแล้วก็เเสมอด้วยทาสีนะซึ่งใน7อย่างนี้เนี่ยที่จะไปได้ดีได้เนี่ยก็คือ4อย่างหลังนะก็คือเสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนและเสมอด้วยทาสี ท่าสีคือคือนางธาตนางทาตครับเป็นคนรับใช้ไว้งนั้นเถอะครับนี่คือลักษณะของภรรยาโดยทั่วไปครับที่ว่าจะมีเจลักษณะซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ก็คือก็คิดว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเสมอน้วยเป็นสก้ากาก็คือว่าจ้องที่จะทําร้ายอยู่ตลอดเวลาเสมอด้วยโจร น, นี่ก็คือว่าชอบเอาของไปใช้ขโมยของบ้างหรือว่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุรายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเรื่องของที่ถก ในการที่รู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นภรยาเสมอด้วยโจอรครับเสมอด้วยนายก็คือว่าคอยสั่งการคอยบัญชาการให้สามีไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งซึ<ๆ>่งมันจะไม่ถูกหน้าที่ของภรยาค<ๆ>รับแล้วก็เสมอด้วยแม่แต่ซึ่งจริงๆเสมอด้วยแม่นี่ก็ดีตรงที่ว่าคอยห้ามลูกเสีย จ, จากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีคือภรยาบางคนเนี่ยมีอุปการะกับสามีมากอ๋ะครับในเรื่องของหลายเรื่องคือในเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดทีหนึ่งว่า อย่างที่เราพูดตอนที่แล้วนะว่าสามีบางคนเนี่ยพอแต่งงานกันแล้วหลายออกใช่หมรหรือภรอรยายบางคนแต่งงานแล้วหลายออกนะไม่ได้ทไม่ได้เป็นคนมีสินทำคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาใส่บาตรทุกวันไปวัดฟังธรรมไปหลักสูตรหลีกเร้นบ้างปีหนึ่งไปหลายๆครั้งมาคุยธรรมะกันคุณไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่<ม>ว่าในห้าข้อคุณทาได้ห้าข้อไหมในความเป็นอยู่ระหว่างสองคน แคนี้นคุณก็เชื่อว่ามีธรรมะแล้วนะอืมีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าในการที่จะนําเอามาปฏิบัติห้าข้อไม่ได้ใช่ไหมสี่ข้อได้ไหม ส, สี่ข้อไม่ได้สามข้อได้ไหมอนะย่างน้อยเขาก็ายังไม่ดูหมิน่นหรือถึงเขาจะดูหมิ่นเราเขานอกใจไหมถ้าเขาไม่นอกใจเขามีให้เครื่องประดับได้ไม่ได้สามข้อไม่ได้สองข้อได้ไหมนะก็ยังดีหรือเหลือข้อเดียว นะที่มันยังเป็นเฉพอจะเป็นคนดีอยู่เนี่ยถ้าเราจะเป็นภรรยาที่เสมือนด้วยแม่หรือจะเป็นผู้ที่มีอุปการะเขาก่อนเนี่ยเราแนะนําให้เขาในสิ่งที่ดีใช่ไหมห้ามเขาจากบาปเนี่ยเหมือนอย่างที่พระเจ้าแนะนํามีความคิดกับเทวทัศนะว่าถ้าเทวทัศ์มีกุศลธรรมเหนือแม่สักหน่อยเดียวที่พอจะดึงออกจากกลุ่มนรกได้พระพุทเจ้าก็จะทําเปรียบเหมือนคนที่ตกลงไปในหลุมคูดนะแล้วมีเส้นผมโผล ม, มาเส้นเดียวเนี่ยถ้าจะมีเครื่องอุปกรณ์ กลไกใดที่จะดึงเส้นผมนี้ไม่ให้หลุดออกมาจากหนังหัวแล้วหลุดออกให้ตัวออกมาจากหลุมคู่ได้ท่านก็จะทําอืำเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนคอยที่คอยจะอุปการะเขานะคุณจะบอกให้เขาให้ตั้งอยู่ในความดีได้ห้ามเสียจากความไม่ดีได้ดึงเขาออกมาจากแทนที่จะทําข้อเดียวคุณทำสองข้อได้ไหมคุณทำสามข้อนะคุณมีสีนะคุณไม่นอกใจนะทําไปทําไปเรื่อยๆแต่ที้มันต้องเป็นผู้ที่มีอุปการะไงจะต้องมีความอดทนละ่ะจะต้องมีใจเมตตาละ่ะ ต้องมีความกรุณาด้วยถ้าเราทําได้เราก็จะเป็นปรรญาที่ประเสริฐนะสามีที่ประเสริฐล่ะครับพราะเดนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตรงนี้ในการที่จะอยู่ให้รอดคือแตะแต่งแล้วคุณต้องอยู่ให้รอดครับตลอดรอดฟังจนกว่าจะตายกันไปเพราะนั้นถ้าเขาไม่ทําเราทําซะแล้วถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราอย่าเอาบาปของเขามาเป็นบาปของเราเราอย่าไปแบ่งส่วนบาปเขามา แต่คือถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาเราแบ่งบาปเข้ามาทันทีเพราะจิตเราตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่แบ่งบาปจากเขาเราคุณรักษาหน้าที่ไหมบางคนสามีนอกใจภรรยาทำไงนอกใจประชดโอ้โหนี่คุณไปแบ่งบาปเข้ามาเต็มๆเลยนะ ค, คุณเอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเองหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องไม่นอกใจนะเราทําหน้าที่ของภรรยาอย่างดีที่สุดนะทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นทําได้กี่ข้อก็ เ, เอาเท่านั้นข้อแหละแต่ว่าในการที่จะเลิกกัน นะก็จะพูดตรงนี้เลยให้มัเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาเลิกกันมีทางเดียวในะที่รรพระเจ้าบอก ค, บคือการไปบวชในอย่างคนที่ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยคุณต้องลาออกหมดเลยนะจากหน้าที่การงานความเป็นพอ่อเป็นแม่สามีภรรยาคุณเลิกหมดเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่พระเจ้าบอกให้เลิกได้เนี่ยก็คือไปบวชถือว่าเป็นทางอารประเสริฐนะครับคือคุณต้องสูงขึ้นจากเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่ตกต่ำกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะเลิกกันเนี่ยให้จิตเราอย่างน้อยสูงขึ้น ถ้าจะไปมีใหม่เอาโอ้ยคุณมีใหม่ดีกว่าเก่าหรือเปล่ามีศีลไหมบางคนแต่งงานตั้งห้าหครั้งแล้วแล้วก็ยังเลิกอยู่ดีมันแสดงว่ามีมีความผิดที่ตัวเองนะซึ่งเรื่องนี้จะไปสอดคล้องกับเรื่องของที่คุณทิพย์เขียนมาเลาให้ฟังพอดีครับคุณทิพย์ก็เขียนมาแบ่งปันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตคู่ก็เหมือนกับมีความทุกข์แต่พอได้ศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ได้นํามาปฏิบัติตามอริยมารมีองค์แเนี่ยก็ชีวิตครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมสามีก็ยัง พฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ว่าคุณทิพย์เนี่ยเปลี่ยนที่ใจของตัวเองก็ปรากฏว่าความทุกข์น้อยลงความสุขเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับถือว่าเป็นอันิี้สงที่โอ้ได้เต็มๆเลยนะครับอืมใช่เปรียบเหมือนกับหมากี่เรือนครับที่ว่าหมากี่เรือนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายไม่สบายอยู่ได้ต้นมาก็ไม่สบายอยู่ที่ลมโกรก็ไม่สบายอยู่ที่ไม่มีลมก็ไม่สบายครับเพราะว่าความที่มันเป็นขี้เรื่องของมันขี้เรื่องใช่อยู่ที่ตัวมันครับกิเลสไม่ไอยู่ข้างนอกกิเลสอยู่ในใจเราตัณหาอยู่ในใจเรา แต่ <c oughs> เราไปกับคนไหนมันก็ยังมีตันหามีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเราก็แก้ที่ตรงนี้อเราก็ถ้าจิตเราจะต่ําลงเราอย่าทำํนะทำทําจิตของเราให้สูงขึ้นนะอย่างเช่นว่าถ้าจะมีใหม่แล้วมีใหม่ไม่ดีก็ไม่ต้องมีนะ <c oughs> ถ, ถ้าจะเลิกกันเนี่ <c oughs> หรือว่าถ้ า, าจะอยู่กันไปก็ต้องอยู่ให้รอดคือแต่างงานอย่างแล้วคุณต้องอยู่ให้รอดแถ้าเราทําหน้าที่ของเราตอนนั้นเอง <c oughs> นะแล้วก็อการทําตรงนี้ของคุณทิพย์เนี่ยที่เอาเรื่องของเรา ตัวเองของม า, มาพูดให้ฟังเนี่ยเป็นการบรรลือเสียนาดในใที่ผู้เช่าพูดถึงว่าถ้าใครบรรลือเสียน า, าพระผู้เช่าเป็นยิงน่งพระธรรมเป็นยิงน้งพระสงฆ์เป็นยิ่งนะชื่อว่าบรรลือเสียนาละหมุนธรรมจักรให้เป็นไปเพราะนั้นการที่บอกว่าธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์กับตัวฉันยังไงเนี่ยเป็นการบรรลือเสียนาแล<อ>ะประกาศให้ทุกคนทราบเลยว่านี่ฉันได้ประโยชน์จากธรรมะนะเธอควรจะทําเดิมเหมือนกัน เพราะฉะนันอนุโมทนามาช่วยกันบรรลือเสียนาคุณเอาทำงานไปใช้แล้วคุณมีประโยชน์จากครอบครัวคุณยังไงนะเอานี่แค่สามีภรรยานะแค่สามีภรรยาอยังไม่พูดถึงเรื่องการใช้เงินด้วยซ้ํายังไม่พูดถึงเรื่องมีลูกด้วยซ้ําำเอาเรื่องมีลูกหน่อยก็ได้มันจะได้จบไปตอนนี้ว่าเวลาเราจะมีลูกเนี่ยเราก็ต้องดูหน้าที่ของแม่พ่อนะว่าพ่อแม่ทําหน้าที่อะไรนะถ้าเผื่อว่าคุณไม่สามารถจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่ามี อย่ามีลูกเพราะว่าลูกมันจะได้เลี้ยงเราตอบอย่ามีลูกเพราะว่าหวังว่าจะพึ่งลูกในอนาคตอย่ามีลูกเพราะว่าหวังจะเล่นบ้องแบลกับลูกอย่ามีลูกคิดว่าหวังจะฝากสมบัติไว้ให้เขาถ้ามีด้วยเหตุนี้อย่ามีเพราะบางทีลูกตายก่อนบางทีลูกติดยาเสพติดบางทีเป็นลูกแกะดําบางทีเป็นลูกที่ไม่ฟังพ่อแม่ถ้ามีลูกพวกนี้มาเราจะยิ่งช้าใจและลูกมันควบคุมไม่ได้นะพอมันคลอดพลุออกมาเนี่ยมันเริ่มพูดได้กินได้เนี่ยมันก็จะเลือกแหละฉันจะกินอันนี้ฉันจะไม่กินอันนั้นอ้าว พอมันเลอกได้ต่อไปอีกมันก็จะเลือกฉันจะเอาคนนี้ฉันไม่เอาคนนั้นมันก็จะเลือกต่ออีกฉันจะทําสิ่งนี้ฉันไม่ทําสิ่งนั้นโอ้ยแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคุณอย่ามีซะดีกว่าอืจริงครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะถ้าคุณจะมีนะคุณจะมีด้วยเหตุผลอะไรได้บ้างก็จะมีด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะเป็นผู้อุปการะผู้อื่นก่อนนะเราจะเป็นคนมีเมตตาเราต้องฝึกในความอดทนนะถ้ามองคุณธรรมนี้ที่จะเกิดขึ้นในตัว แล้วคุณจะมีคุณมีได้อืมฟังให้ดีนะอย่าไป <c oughs> ฟังคนอื่นว่าโอ้ยนี่แต่างงานมาตั้งหลายปีแล้วไม่มีลูกเหรอโอไม่มีน้ำยาแล้วมัง้ง <c oughs> ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ให้เขาพูดไปใครจะพูด <c oughs> พูดไปนี่พรชาตัดอย่างนี้นตะ่ <c oughs> ถ้าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้คุณต้องทําหน้าที่ของตั ว, ตวเองได้แม่บางคนพ่อบางคนนะหมอระพงไ <c oughs> ม่กล้าแม้จะตีลูกแล้วคุณจะไปห้ามลูกเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีคุณทําพ่อะหน้าที่ของพ่อแม่ไม่เต็มที่เลยแล้วคุณหวังว่าลูกมันจะเป็นคนดีอ๋อ เป็นพ่อแม่รังแกฉันด่าก็ไม่อยากด่าเดี๋ยกลัวลูกว่าโถ่ย่ามีซะดีกว่าครับอืเข้าใจเนาะเข้าใจครับแล้วบางคนก็ตระนีตะนีในะเรื่องในสมัยพุทธกาลก็ยังมีลูกป่วยไม่ยอมรักษาลูกเพราะว่ากลัวเสียเงิน้นะมันต้องมอบมรดกให้ตามเวลาเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องบางคนไม่อยากให้ลูกไปเรียนหนังสือมีลูกเพื่อจะขายลูกไปขายตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ย มีลูกออกมาเอาลูกไปขายนะเพื่อที่จะหากินโอ้ยคุณอย่ามีดีกว่าอืออมันต้องให้ลูกเรียนหนังสือครับนี่คือหน้าที่ของปมนาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะมีลูกด้วยความที่เออเราจะได้อุปการะสักบุคคลในบุคคลหนึ่งในความอุปการะเป็นคุณนดีที่ดีเออเราจะได้สร้างคนดีของสังคมสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้การทําตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเราทำนะเราทําหน้าที่ตรงนี้คุณมีลูกได้แค่นั้นเองครับ คือไม่ไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนว่างันเถอะแล้วถ้ามีแล้วนะสมมุติว่าพลาดนะไม่ได้ตัดสินใจอย่างนี้ถ้ามีแล้วคุณต้องทําให้รอดนะต้องทําหน้าที่นี้ให้อย่างถูกต้องทิศนั้นก็จะเป็นทิศไม่มีภัยเกิดขึ้นจะสรุปตรงที่ว่าคิดดูนะคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดจะเป็นลูกก็ตามจะเป็นเมียก็ตามจะเป็นสา ม, มีก็ตามถ้าเราไม่รักษาทิศนั้นทิศนั้นจะเป็นภัยกับเราคิดดูหมอตาโง<ม>อยู่หลังให้คนักคนใดคนหนึ่งเขาแทงข้างหลังเราโอ้โหป้องกันก็ไม่ได้นะ ใช่ครับแล้วก็เสียใจด้วยนะเพราะฉะ<ม>นั้นถ้าเราไม่ต้องการถูกแทงข้างหลังคุณต้องรักษาทิตนั้นให้ดีจะเป็นทิศที่ไม่เป็นภัยเป็นทิศเกษมไม่มีภัยได้ครับถ้าเรารักษาอย่างนี้แล้วนะนี่คือแค่หนึ่งใน6อย่างนะหนึ่งใน6อย่างนะถ้าทําั้งหมด6อย่างเนี่ยจะเป็นหัวในยใสที่แม้แต่พระราชาก็ยังยกย่องที่แม้แต่ใครก็ตามก็ยังยกย่องเป็นผู้บริโภคกามชันยอด ฉัเลิกฉันประเสริฐนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องทรัพย์ได้วยซ้ำตอนนี้สรุปว่าเราได้พูดถึงสามีภรรยานะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอยู่กันให้รอดสามีทําหน้าที่อย่างนี้ให้เป็นคอยคอยช่องสังเกตยกย่องเธอไม่ดูหมิ่นเธอเรื่องนอกใจนี้ไม่ต้องพูดเลยคุณอย่าให้มีใชแล้วก็คอยหาเครื่องประดับมาให้แล้วก็คุยกันว่าจะมอบหน้าที่อะไรต่างๆให้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องภรรยาคุณรับ มอบหน้าที่มาหรือคุยกันแล้วว่าฉันจะทำอันนี้เธอทำอันนั้นก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเขาเท่านั้นยังต้องบริบาลของเขาคนข้างเคียงต้องรากษาอย่างดีเงินที่มีคุณต้องรู้สักประหยัดมัธยัติแล้วก็อย่าหลกนอกใจอย่าไม่นอกใจเราอย่างสุดท้ายก็คืออะไรนะขยันแข็งในการงานทัวงคดูนะเราเป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ความแข็งแกร่งมันสู้ผู้ชายไม่ได้เลยแล้วใช่ครับในเรื่องของความแข็งแกร่งแต่ความแข็งแกร่งตรงนี้ของผู้หญิงคือความแข็งแกร่งในหน้าที่แข็งแกร่งกล้าในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆอันนี้ยังไงผู้ชายเขาก็ต้อ ง, งยกย่องแต่ถ้า ค, คุณเป็นคนมีความแข็งแกร่งทางจิตนะเรื่องร่างกายเราไม่ต้องพูดเราสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราจิตแข็งแกร่งเขาจะยกย่องเรา ใ, รในความแข็งแกร่งตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสามีอยู่ด้วยกันอย่างนี้คุณพิจารณาดูจะมีลูกได้ไหม ก็ดูตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมในคุณธรรมที่เราจะต้องมีอย่าไปตามกระแสของโลกนะถามว่าถ้าจะไม่มีคนดูแลตอนแก่ตอนเท่าเป็นยังไงไม่เกี่ยวเลยนะเราเหมือนกับอยู่เป็นเพื่อนนะมีเพื่อนดีนะเราจะรอดได้ถ้าสมมุติสามีประยาที่ไม่มีลูกเนี่ยให้มาฟังส่วนของคนที่อยู่เป็นโสดด้วยนะก็จะได้ข้อความที่ว่าฉันไม่มีลูกแล้วฉันจะดูแลตัวเองตอนแก่เท่าอย่างไ ร, รนะซึ่งจะได้มา พูดให้ฟังในตอนต่อไปตอนต่อไปรเรื่องของคนแก่คนโส ด, โสดแล้วก็จะดำเนินชีวิตอย่างไรเรื่องของการใช้เงินก็จะเป็นตอนถัดไปเนาะครับครับวตอนนี้ก็คิดว่าได้พูดถึงเรื่องของสามีภรรยายอย่างเต็มที่ละครับแล้วก็ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ครับครับคถามจากคุณเพลินตาเดี๋ยวยกไว้คราวหน้าดีไหมครับคุณเพลินตาเหรอเออก็ได้เหมือนกัน เอาเปนในเปิดทำสตูปิดตอนนี้เอพิโซดที่47นะก็จะจบเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในตอนที่48เรื่องของควรสดขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิบุญโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็กราบกราบสวัสดีครับ